ชีวิตของชาวเทวนิยมจึงอยู่กับพรหมลิขิตเพราะพระเจ้าคือความดีความบริสุทธิ์ความรู้สูงสุดที่พระบุตรแต่ละท่านจะพืงนนำมาถ่ายทอดให้มนุษย์พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ร้ายใดเจือปนอยู่เลยแนมะ้แต่เท่าเท่าเศษละอองธุลี มีแต่ประสงค์ดีต่อมนุษย์ถ่ายเดียวแต่และชีวิตจึงต้องเป็นไปตามนิยายที่พระเจ้ากาหนดชีวิตจะสุขที่สุดถ้าทำได้บริบูรณ์ตามที่พระบุตรนามาจากพระเจ้ามาให้มนุษย์ทุกประการและที่พระเจ้าทรงประทานมาให้นั้น ก็มีแต่ดีทั้งสิ้นนี้ก็เป็นความจริงสูงสุดของแต่ละศาสนาและที่สำคัญยิ่งที่สุดก็คือความทุกข์ก็ดีความร้ายก็ดีจะหนักทรมานสุดสาหัสปานใดที่เกิดขึ้นกับผู้ใดก็ตาม หากปรากฏในโลกกับคนผู้ใดก็ยอมรับกันอย่างสนิทใจ jumping, ว่านั N ่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็จงอย <okay. S 2> ู่กับความทุกข์นั้นรับความทรมานแสนสาหัสโดยดีแม้จะทรมาทรกรรมหนักสุดสุดหนักยิ่งปานใดปานใดก็คือ พระประสงค์ของพระเจ้านี้คือทฤษฎีสูงสุดของเทวนิยมไม่มีใครสามารถจะกแก้หนิยายแห่งชีวิตของตนของตนได้เพราะชีวิตทุกชีวิตในโลกเป็นของพระเจ้าทุกสรรพสิ่งเป็นของพระเจ้า ทุกอารมณ์ของคนก็น่าจะเป็นของพระเจ้าและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งนั้นแต่ละคนจึงมีนิยายแห่งชีวิตของตนในโลกที่ชาวเทวนิยมมีชีวิตมาให้พระเจ้าเขียนบท และกรรมกับการแสดงกันอยู่ตลอดกาลนานเรียกกันในภาษาเก่าแก่ว่าพรหมลิขิตพระเจ้าลิขิต